ถามว่าความคิดที่ปิดความเห็นนั้นเป็นอย่างไรส่วนจินตามายะปัญญานั้นก็ต้องคิดทำไมความคิดจึงไม่ปิดความเห็นขอท่านจงอธิบายลักษณะจินตามายะปัญญาให้ข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่าคือความปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ไม่มีสติครั้นรู้ตัวขึ้นจึงมีสติแลเปลี่ยนใจให้มาคิดอยู่ในขันห้าอายตนะหกหรือธาตุหกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาระหว่างที่คิดถึงไตรลักษณ์อยู่นั้นใจก็ยังไม่สงบถ้าจะสงบลงบ้างก็เป็นเพียงสมถะจึงเป็นชั้นสัญญาไม่ใช่ชั้นปัญญา นี่หละความคิดที่ปิดความเห็นส่วนจินตามยะปัญญานั้นคือทำในใจโดยแยกไขเป็นสัมมาสังกปส่วนความเห็นที่ชัดเจนขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐินี่เป็นลักษณะของจินตามยะปัญญาเพราะฉะนั้นสุตตมัยปัญญา หรือสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาหรือจินตามยปัญญาภาวนาไมปัญญาหรือภาวนามยปัญญาทั้งสามอย่างนี้เวลาที่เกิดขึ้นนั้นพ้นเจตนาเป็นสมาทิฏฐิความเห็นชอบทั้งนั้นผู้ถามกล่าวว่าขาพเจ้าพึงเข้าใจในเรื่องความคิดที่ปิดความเห็น ลักษณะของใจยังไม่สงบการปฏิบัติจึงต้องใช้คิดใช้นึกและประกอบด้วยเจตนาทั้งนั้นแม้สงบลงได้ก็เป็นชั้นสมถะไม่ใช่ชั้นปัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติมุ่งต่อความพ้นจากกิเลสไม่ควรทรงใจให้ออกไปนอกสติปัฏฐานจะได้ไม่มีความคิดที่ปิดความเห็นเพราะมีวิริยะสติสมาธิ บริบูรณ์ขึ้นแล้วจะได้พิจารณาธาตุหเป็นอนัตตาเมื่อความเห็นชัดเจนขึ้นเป็นอริยมรรคจะได้ถ่ายสังโยชน์ธรรมเบื้องต่ำและเบื้องบนให้หมดไปจากสันดานผู้ตอบกล่าวว่าสาธุข้าพเจ้าขออนุโมทนาการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นสัมมาปฏิปทาอย่างดีทีเดียว สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนภิกษุว่าเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองของตนชันใดภิกษุสะกดวิตกไว้ในใจฉันนั้นไม่อาศัยอะไรหมดมิได้เบียดเบียนผู้อื่นเป็นผู้ดับกิเลสหมดไม่พึงพูดกระทบซึ่งใครๆครผู้ถามกล่าวว่า ถ้าจะไม่รีบปฏิบัติให้อริยะมากเกิดขึ้นเมื่อความตายมาถึงเข้าเราจะเหลวเพราะยังไม่ได้ความอุ่นใจในธรรมคื อ, อยังไม่ปิดอบายเพราะยังไม่ได้บรรลุโสดาปฏิพลตอบว่าถูกแล้วข้อนี้มีพระพุทธภาษิตในสุตตานิบาตสัลลสููรนาสา้ว่า เมืองที่ตั้งอยู่สุดแดนอันชนทั้งหลายรักษาแล้วทั้งภายนอกและภายในชันใดท่านทั้งหลายจงรักษาตนชันนั้นขณะคราวอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียเพราะว่าชนทั้งหลายอันคราวล่วงไปเสียย่อมโศกเศร้าไปเต็มแน่นอยู่ในนิรยาบายคืนนรกดังนี้ ผู้ถามกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังคาถาพระพุทธภาษิตตรัสสอนดังที่ท่านบรรยายมานี้รู้สึกทําใจให้คิดถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่มีอาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ที่จะแนะนําพร่มสอนให้เราทั้งหลายได้รู้ทางที่จะดําเนินใจให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบถ้าเราจะไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคําสอนของพระองค์ ก็จะเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาตอบว่าถูกแล้วความดมรีเช่นนั้นเป็นการสมควรทีเดียว